ตางใจภาว น, นากันทุกคน <c oughs> การตัดสู่ของพระพุทธเจา้าพระองค์ตัดสู่ด้วยอะไรบ้างและข้ะเหตุอะไรบ้างที่ให้พระองค์ได้ตัดสู่ และก็เนื่องมาจากไหนที่จะให้พระองค์เลยตัดสูญก็เนื่องมาจากความเป็นอนิจจังะความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาแม้พระองค์จะตัดสิ้นก็ทำสามประการนี้แหละ เป็นเครื่องหนุนหนุนให้พระองค์นั้นน่ะได้มีพลังในด้านการปฏิบัติก็เหมือนกับพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยที่เราพากันมาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าอะไรเป็นสาเหตุที่ให้เราได้มาทำ มันเนื่องมาจากความเป็นอนิจจงนนะความเป็นทุกขังความเป็นอนัตตาเ น, นี่ยนะถ้าไม่มีธรรมนี้นะ่ะเราก็คงจะพากันอยู่แบบที่ไม่ได้สนอะไรกับเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ของตัวเอง ถ้าไม่มีอนิจจังก็ความเป็นอนิจจังนั่นแ่ะที่จะนําพาให้พวกเราเนาี่ยได้มากระทำะถ้าไม่มีความอนิจจังบังคับพวกเราเนา่ะต่างก็พากันมีความมึนเฉ่อย แม้แต่องค์สมเด็จท่าผู้มีพระภาคเจ้าประหนอนิจจังนั่นแ่ะทุกขังนราตาเนี่ยบีบบังคับและพระองค์ก็เป็นมาหลายภพหลายชาติเรื่องความเป็นอ น, นิจจังพวกเราก็มากันหลายภพหลายชาติเช่นเดียวกันนะ จนตลอดถึงทุกวันนี้นะเราก็อยู่ด้วยความเป็นอนิจจงนะเรามาเราก็มาด้วยความเป็นอนิจจงเราที่จะไปข้างหน้าเราก็ไปเพราะอนิจจงนะเพราะฉะนั้นธรรมะอนิจจงเนะี่ย เราควรที่จะพิจรารณากันบ่อยๆในใจความไม่เที่ยงมีความแจ่และก็มีความเจ็บแล้วก็มีความตายนี่เรียกว่าอนิจจังที่นี่เรามาพิจรารณานอยู่ทำสามประเด็นนี่แนหะคืออนิจจัง ความไม่เที่ยงมีความแจ่แล้วก็มีความเจ็บความตายพนะิจารณาความตายเนะี่ยเป็นอารมณนะ์เมื่อตายแล้วนะมันจะพากันไปอยู่ไหนนะและที่ไหนน่เป็นที่อยู่ของผู้ตายนะ ตายนี่มันก็ตายกันไปมากเลยมันก็ยังเหลือพวกเราเนี่หละตายแล้วก็หายหน้ากันหน้าทั้งที่เคยเจอกันและเคยคุยกันมันก็หายไปที่นี่ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ตรงไหนที่นี่แม้แต่เราจะไปเนี่ย ไม่รู้จะไปตรงไหนเนาะไม่รู้ว่าที่จะไปเนะ่ะเราก็รู้แต่ว่าสุคติกคือสวรรค์นะั่ะต้องการสวรรคนะ์ก้อนนิจจังนั่นอะไรเรามาหาสวรรค์นะีถ้ามันไม่มีอนิจจังเนะเราก็คงไม่มาหรอกเพความตายเนะ่ยมันมีกระจำกันทุกคนนะ่ ความเจ็บก็มีประจำกันทุกคนความแั่ก็ประจำกันทุกคนคิดว่ามันหนีไม่พ้นหรอไงมันน่าสังเวชนะความสังเวชเราเนี่ยทั้งที่ว่าเราอยู่ๆเนี่ยดูกันแบบดีๆเนี่ยแลวมันก็จากกันไปแบบซึงซึ่งหน้านะ โดยไม่มีการปราณีปราศัยใครโดยไม่มีการที่จะยกเว้นและปรารถนาดีกับใครเลยเมื่อถึงคราวของเขามาแล้วนะเราจะมีอะไรอยู่ก็าตามจะมีงานหรือมีสมบัติภัสดฐานอะไร กำลังที่จะต้องรักษาอยู่ก็าตามใ้เรื่องความตายน่ะ <c oughs> เวลามันมาแล้วน่ะมันไม่ได้ห่วงใยอะไรกับเราเลยมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันจัดการของมันไปตามหน้าที่คิดแล้วน่ะมันมันก็น่าสังเวชแต่ว่าการ ความเป็นอยู่ของเราเนะ่ะเราก็ต้องการความเป็นอยู่นะอยากจะให้อยู่ไปอย่างนี้ตลอดนะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงมันมีนะไงจึงเรียกว่าอนิจจังนะแต่เมื่อความสิ้นสุดแห่งชีวิตมาถึงลนะ่ะ จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกันมันนะจะเอาอะไรมาป้องกันนะมันไม่มีอะไรจะป้องกันนะและเขาก็ไม่ได้รับสินบนอะไรกับใครเราจะมีเงินทองมากมายเท่าไหร่ก็ตามเราจะเอาสินบนนี่ไปให้เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปให้ใครแลวใครเขาจะรับ แล้วจะให้ชีวิตของเรายืนยงมั่นคงตลอดไปด้วยศินบนมันก็เป็นไปไม่ได้มันไม่มีใครรับรองนีง่นะเพราะฉะนั้นนะชีวิตของเราเนี่ะมันจึงตกอยู่ในความเป็นอนิจจังนะเมื่อเราพิจารณาถึงความเป็นอนิจจังนั่นแหะ มันจึงเป็นเหตุที่จะให้เรานั้นได้ทำดีนะถ้าไม่มีอ น, นิจจนังนะเราก็จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นนะการที่เรามากำหนดพิจารณาธรรมะนันนะก็ให้นึกถึงความเป็นอนิจจงนั่นแะนะ อันดับแรกก็มีความเกิดและก็มีความแก่มีความเจ็บความตายเนะ่อันนี้มันเป็นของแน่นอนนะเมื่อเราพิจาราเห็นความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนะ่ะมันเป็นของแน่นอนนะความสังเวชในตัวเองเน่ยนะแลวมันจะเกิดขึ้นนะ เมื่อความสังเวชมันเกิดขึ้นเราจะทําอย่างไงนะมันจําเป็นเราจะต้องหาความดีให้ตัวเองก่อนที่เราจะจากไปน่ะก่อนที่ว่าอนิจจังที่สุดท้ายที่จะมาถึงเราน่เราจะต้องสะสมเอาความดีเนี่ยให้มันมากซะก่อน ก่อนที่เราจะไปเนี่ยทีนี้ความดีที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นคุณสมบัติสําหรับที่การอาสําหรับการเดินทางของเรา่ะในเมื่ออนิจังมาถึงแล้วเนี่ยจําเป็นเราจะต้องไปข้างหน้าความดีเนะี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะแล้วมันดีอย่างไง สิ่งที่จะเป็นคุณสมบัติของเราอันเลิศความดีมันอยู่ตรงไหนและใครจะเป็นผู้เอาไปมันก็ใจของเรานั่นนะ่ะที่นี่ใครเป็นผู้รู้อันนิ้จังมันก็ใจนะั่นแหละเป็นผู้รู้รู้แก่รู้เก็บ ร, ร, ร, ร, รู้ตายใครเป็นผู้รู้ แต่ตัวเขานั่นล่ะทั้งที่เขารู้อยู่มันเจเขาก็รู้อยู่มันเจ็บรู้อยู่มันายแต่เขาก็ยังแก้ไม่ได้จาเป็นเขาก็ต้องยอมรับสภาพตามความจริงเมื่อยอมรับสภาพตามความจริงแล้วเนี่ยที่องสมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เอาสมบัติมาให้พวกเราแล้วนะสมบัติคืออะไรนะสมบัติก็คือศีลสมาธิและปัญญา น, ะนี่สมบัติพระพุทธเจ้าเอาไว้แล้วนะแม้แต่พระองค์จะตัดสรูนะก็ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนะช่นเดียวกันนะั่นนะ แต่ท่านทรงบำเพ็ญมามากมากเป็นติเหลือวิสัยที่เราจะทําได้นะแต่พระองค์ก็ได้จัดสรู้มาแล้วด้วยคุณธรรมนะั่นนหะแต่พระองค์ก็เอาคุณธรรมนั้นนะ่ะอันเป็นคุณสมบัติอันสูงสุดแล้วมอบให้เป็นมรดกแก่พวกเราทั้งหลายนะ ศีลของเราก็สมาทานไปแล้วนะ่ะส่วนสมศีล ส, สมาทานแต่ศีลภายในยนะศีลที่รักษาหัวใจนะที่ใจเอามารักษากายล่ะไม่ให้ฆ่าซัดไม่ให้รักย์ไม่ให้ฝ่าฟดจิตไม่ให้มุสามสุราดืุนสรนะ อันนี้มันเกี่ยวกับศีลในนะเป็นผู้บอกเรานีนะที่ไม่ให้กระทำนะอันนั้นมันศีลแท้นะนะอันนันของแท้นะศีลที่เราสมาทานเไะ น, นั้นก็เรียกว่าตามองค์ตามพุทธบัญญัติตามหวข้อตามสิขาบทอแต่คุณาภาพของศีลเนี่ย หรือคุณค่าของศีลคือศีลภายในก็มันอยู่ข้างในมันก็อยู่ที่ใจนั่นะที่นี่ส่วนสมาธินะก็ว่าศีลของเราดีนะเรารักษากายวาจาของเราเรียบร้อยดีที่นี่เราก็มาเจริญจเจริญมสมาถะ หรือว่าจเจริญกรรมาฐานจเจริญใจเขาเราให้มันสงบล่ะเจริญใจเขาเราให้สึ้นสมาธิล่ะก่อนที่มันจะเป็นสมาธิได้มันผ่านอะไรมาบ้างสิ้มันก็อยู่ในตัวแล้วล่ะสมาธิแล้วนะ คือความตั้งใจมั่นนะอันนี้เนะี่ยมันยังอยู่น่ะที่ในก่อนที่มันจะตั้งมั่นเนี่ยเราจะทํากันอย่างไรที่ในเราก็ศึกษากันในตำรับตําลาเนี่ยอ่านกันมาจนพอแล้วนะฟังพระเทศแล้วก็ฟังมาจนพอแล้วนะเทศก็ไม่รวดกี่พระองค์ก็ฟังมาจน เกือบจะครบทุกองคแล้วนะแต่ความเป็นสมาธิมันอยู่ตรงไหนลนะ่ะจิตของเราที่จะเป็นสมาธิเพราะการฟังจิตของเราที่เป็นสมาธิเพราะความรูนะ้ที่เราได้รู้มาเนะ่ยที่เราได้ศึกษามาเนะี่ยแล้วมันอยู่ตรงไหน ทำเป็นสมาธิน่ะมันไม่ได้อยู่กการที่เราได้ศึกษามาและได้ฟังมานะมันอยู่กับการก ร, รนะทำการที่เรามาปฏิบัตนะิแม้แต่เราฟังอยู่ในขณะนี้ก็ตามหรือที่เราจะฟังต่อไปก็ตามจะเป็นตรงไหนก็ตาม เราจะต้องรักษาในกำหนดจิตของเราเอาไว้น่นะก็เรียกว่าภาวนาไปด้วยพร้อมกับการฟังจะเป็นใครก็ตามเราก็กำหนดนั่นแ่ะกำหนดไหนอ่ะก็ไม่ได้กำหนดนอกไปจากตัวเององแหละก็กำหนดของของตัวเองนั่นะที่เราสมมติว่าเป็นลม ลมเข้าและลมออกนะล่ะลมเข้าลมออกมันก็เป็นของธรรมชาตชิมันไม่ใช่ว่าเราจะมาอัดฉีดให้มันเข้ามันออกนะมันเข้ามันออกของมันโดยธรรมชาติมันเข้าตรงไหนละ่ะมันออกตรงไหนนะ ที่ออกที่เข้าของเขาเนี่ยนอกจากจมูกแล้วมันก็ไม่มีเลยที่จะเอาชีวิตของเราไว้ได้มันเข้าไปทางจมูกแล้วก็ออกทางจมูกที่นี่เราก็กำหนดตรงนั้นแหละสิกำหนดเพื่ออะไรนะ่ะก็เพื่อความสงบหน่อนะที่ในเมื่อเรากำหนดลมเข้าและลมออกนะ่ะ เราก็กำหนดคำบริกรรมไปด้วยคือเวลาหายใจเข้าเราก็ว่าพุทธหายใจออกเราก็ว่าโทนก็โดยลักษณะนี้เราก็ฟังมามากแล้วนะที่นี่เราก็ต้องทำตามด้สิพุทธโทพุทธโทนก็เพื่ออะไรเพื่อความสงบกับของธรรมชาติ กาชีวิตของเราจะมีอยู่่นะก็เพราะของธรรมชาติคือลมหายใจเข้าออกถ้าไม่มีลมพวกเราก็ไม่ได้มาฟังจะมานั่งฟังอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้และจะมาเทศให้พวกเราทั้งหลายฟังนี้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่ถ้าไม่มีลมที่เรามาฟังได้ที่เรามาเทศได้ ก็เพราะมันมีลมนีชีวิตมันยังอยู่ถึงจะมีลมเข้าลมออกอยู่ก็าตามแต่ความเป็นนิจจังน่ะมันไม่มีการที่จะอาภัยให้เราเลยหรือว่าไม่เอาภัยให้ใครเท่านั้นท่านก็ให้กําหนดนี่ละ่ะแม้มันจะมีลมเข้าลมออกอะไรก็าตาม แต่วความอ น, นิจจงมันก็เป็นอ น, นิจจงเราก็รู้ดีแล้วเราจะมากำหนดตามลมเพื่อยังความสงบนั้นให้เกิดขึ้นแล้วยังความมั่นคงในจิตของตัวเองให้อยู่ด้วยความสงบนั้นซึ่งเราซึ่งเรียกว่าสมาธินะก็สมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมัน่น เราก็ให้มั่นอยู่ในความสงบสิตั้งมั่นอยู่ในความสงบน่นแต่ขั้งแรกเราก็เอาลมซะก่อนก็ตามลมของเรานะะั่นล่ะเอาอะไรลนะ่ะมาดูลมเอาอะไรมาตามลมจะเอาความรู้นะะั่นล่ะความรู้ของใจนะะั่นล่ะแล้วก็เอาใจของเรานะะั่นล่ะมาตามลมเข้าลมออกกนะัน ลมมันก็ไม่มีตัวมีตนใจมันก็ไม่มีตัวมีตนมันก็เลยเข้ากันได้ถ้าใจมันมีตัวมีตนหรือลมมันมีตัวมีตนมันก็คงเข้าไปไม่ได้หรอกของที่ไม่มีตัวมีตนนั่นแ่ะเขาให้บวกเข้ากันใส่กันให้รวมใส่กันลมหายใจก็ดี ความรู้ของใจก็ดีจตหลอดถึงความเป็นพุโทโธของใจก็ดีพุโทโธก็ไม่มีตัวตนใจก็ไม่มีตัวตนลมหายใจก็ไม่มีตัวตนนั้นเราเอาเข้ากันเข้ากันให้ได้ ถ้าในหนึ่งมีตัวตนก็เข้ากันไม่ได้ล่ะของทั้งสามอย่างนี่ละ่ะเรียกว่าไม่มีตัวมีตนเอาให้มันเข้ากันถ้าเข้ากันได้กับของสามอย่างนั้นละ่ะมันจะไปตั้งมัน่นก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเนะพอจิตของเราเป็นสมาธิพอสมาธิมันมีความตั้งมัน่น ด้วยจิตของเรานะ่ยมีความมั่นคงอยู่ในตัวเองด้วยความสงบแล้วเนะนี่ยที่ีนมันจะมีประโยชน์อะไรสมาธิทีนี้ทำไมถึงอยากได้ทําไมถึงทํากันประโยชน์ของสมาธิล่ะทำทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นก็จ ะ, จะเรจริญยิ่งขึ้นนะและมันจะได้รวบรวมเอาคุณนะสมบัติอันล้ำค่าสมบัติทั้งที่มันอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามแล้วมันจะรวมเข้ามาบวกกันอยู่ในตรงนี้นะอยู่ตรงความเป็นสมาธิเนี่ยนอะว่ารวมกันแล้วนะ ความดีทั้งหลา ย, ยานั่นนะที่เราเรียกว่าบุญลกุศลทั้งบุญทั้งกุศลทั้งคุณธรรมมันก็รวมกันอยู่ตรงนี้เล ย, เยก็เมื่อ บ, บุญกุศลและคุณธรรมมันมีประจำตัวแล้วทีนี้เป็นคุณสมบัติอันล้ำค่า ที่ในเมื่ออนิจจังมันมาถึงล่ะอนิจจังแคมาถึงล่ะคือความตายเนี่ยมันมาถึงล่ะที่ในว่ามันมีในตัวของเขาล่ะหรือเขามันพร้อมแล้วแล้วมันก็จะไม่ไปด้วยกันหรือก็มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ต้องไปด้วยกันนะแต่มันอยู่คนละที่นี่จ้ะ มันจึงคิดเจรณายาใครก็หวังแต่ว่าอนาคตการข้างหน้าอนาคตการข้างหน้านะก็หวังกันอยู่นั่นนหะทั้งที่มันเป็นของปัจจุบันเอาปัจจุบันในปัจจุบันนี้มันก็ไม่มีใครว่า น, ะนี่แต่ว่าอนาคตเนะนี่ยที่ในส่วนที่มันเป็นอนาคต ถ้าคุณสมบัติเรายังไม่พร้อมล่ะคุณสมบัติของเรายังไม่มีล่ะที่นี่ความเชื่อมั่นของเราวความมั่นใจของเราจะมั่นใจได้อย่างไรสิ่งที่เราจะพึ่งสิ่งที่เราจะพึ่งได้พึ่งถึงที่นี่เราจะไปรู้ได้อย่างไรไปทราบได้่ ตอเมื่อในปัจจุบันยังไม่ประสบการณ์เมื่อจิตของเรามันเป็นสมาธิแล้วรวบรวมเอาซึ่งคุณธรรมทั้งหลายเนะี่ยรวบรวมเอาซึ่งบุญทั้งหลายรวบรวมเอาซึ่งกุศลทั้งหลายนะให้มันเต็มจะแล้วนะให้มันสมบูรณ์แล้วในใจของเรานะเมื่อมันสมบูรณ์แนละ้วมันมีอยู่แล้วทั้งที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ย ที่นี่เราก็จะ ต, ต้อง Erica, ถึงพร้อมถึงพร้อมไปด้วยสมบัติอันที่ล้ำค่าแน่มันจะแตกดับก็แตกดับไปสิก็มันพร้อมแล้วแล้วมันก็ไปพร้อมกันได้ก็เพราะมันมีแล้ว อ, อันนี้เราคาสอนของบุพติเจา้า ที่พระองค์ต้องการในพุทธบริษัทได้ประสบการ์อยากให้ได้อย่างนั้นที่นี้ไอพุทธบริษัทของท่านก็หากมีแต่ว่าอนาคตการที่นี้ปัจจุบันการเรามันอยู่ตรงไหนทีเราท่านทั้งหลายพิจารณาเอาหน่อยเถอะ ชีวิตของเราเนี่ยคิดแล้วก็คงจะไม่นานหรอกคงจะไม่อยู่กันเท่าไรหรอกคงจะจากกันนะต่างคนก็คิดว่าจะต่างไปล่ะจะไปไหนก็ไม่รู้่ะขอ้พิจารณากันเถอะเรื่องของตัวเองนี่แหละมันเป็นปัจจมันเป็นปัญหาอันสำคัญที่สุด แต่เรื่องการทำมาฮาจินเป็นของธรรมดาอยู่แล้วละ่ะเราก็ต้องทำอยู่แล้วละ่ะแต่ปัญหาสำหรับที่สิ่งที่เราจะต้องการน่ะคือภายในน่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุหรอกมันเรื่องภายในเหมือนกับเราจะปรุงยาน่ะแล้วก็ต้องหาสิ่งทั้งหลายน่ะมาประกอบกันให้เป็นตัวยาขึ้นมา ตัวยาก็าเป็นอันเดียวนั่นแหะถึงจะเป็นของหลายอย่างแต่เอามารวมกันก็เป็นเม็ดเดียวนั่นแหละเป็นก้อนเดียวเป็นชนิดเดียวนั่นแหะแต่มันก็แก้ได้ได้หลายอย่างที่ในส่วนใจของเรานั่นแะก็ใจอันเดียวนั่นแะเราก็มาปรุงให้มันเป็นอันเดียวใช่นั่นแหะปรุงให้มันเป็นศกปรุงให้มันสงบ พงให้มันเป็นสมาธิผุงให้มันมีปัญญาผุงให้มันฉลาดพุงให้มันได้สมบัติอันอลังค่าอันที่มันมีอยู่ในตัวเองทีนี้เราจะเอาไปไหนล่ะมันก็เอาไปได้มันก็ไม่มีการที่จะวิตกวิจารณ์อะไรสิ ต่อเมื่อที่มันได้แล้วเนะี่ยที่มันยังไม่ได้เนี่ยนะเราก็หากันดูอย่างนั้นนะต่างคนก็ต่างหาเนี่ยหาที่นี่แล้วก็ยังไม่แล้วนะจะคิดว่ามันจะแล้วหรนะือเนี่ยก็จะไปหาที่อื่นอีกแล้วก็ทำอีกทางอื่นอีกต่อไปอีก นี่เราจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะการกระทำมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะเพรามันยังไม่พร้อมนะคิดใจดีแบบทำให้มันพร้อมซะก็ทําที่ไหนแล้วก็ทําที่ตัวเองนะนะั่นแหะอันดับแรกกับปลายจมูกนะนะั่นแ่ะลมเข้าลมออกนะนะั่น่ะแต่อยู่แค่นี้แหละลมก็ไม่มีตัวมีตน ใจก็ไม่มีตัวมีต้นพุทโธก็ไม่มีตัวมีต้นก็ปุ่งใส่กันเฉยพอปุงเข้ามาแล้วมันก็มีลิธาสัพดาโนภาพทพวกอภินยาก็เกิดจากนั้นไม่ใช่หรือพวกยานก็เกิดในนั้นพวกชานก็เกิดในนั้นพวกปัญญาก็เกิดในนั้นไม่ใช่หรือ ก็ปุงใจของเราหน่อยนะอะไรอะไรเราก็ผ่านมาจนพอแล้วเราก็รู้มาจนหมดแล้วนะมันยังเหลื อ, อยวนเดียวนั่นละ่ะคือุงจิตปุงใจของเรานี่ยนะจะเอาไปประโยชน์อะไรนะก็จะหนีจากอนิจจงนี่ลนะ่ละ ถูดทั้งตามความหมายมันเะก็จะหนีจากอนิจจงเหมือนพระพุทธเจ้าท่านหนีเนาะเหมือนพระอริยเจ้าท่านหนีเน่ะไม่ใช่ว่าอนิจจงจะหนีจากเราเนาะเราละจะหนีจากอนิจจงไม่ใช่ว่าอนิจจงจะหนีจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะเป็นผู้หนีจากอนิจจ์ท่านสังขยเจ้านะเป็นผู้หนีจากอนิจจง อันนี้จังจะหนีจับพระรีเจ้าไม่ใช่พิจารณาให้ดีนะถ้าไม่มีอา น, นิจจังก็คงจะไม่ได้ตัดสู้หรอกจะ ต, ตัดสู้ทาไมละ่ะก็อยู่แบบตลอดไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็อยู่ได้มันก็ไม่มีปัญหาเนี่ก็เพราะอา น, นิจจังนั่นแหละถ้าองค์ก็พิจารณาแล้วมันอยู่ไม่ได้ เพราะว่าอนิจจังเนี่ยมันไม่ได้เลือกหน้าเสแล้วเนะ่เราไม่อยู่เราจะหนีที่นี่อนิจจังจะหนีจากเรามันเป็นไปไม่ได้จำเป็นเราจะต้องหนีหนีพระองค์หนีทางใจหนีภายในเพราะฉะนั้นเนีเราทั้งหลายเนี่ยให้พิจารณากันบ้างย้ำ ความคิดของตัวเองนั้นให้มันเกิดสติปัญญาขึ้นมาบ้างถ้าอย่างนั้นชีวิตของเราก็จะล่วงหล่นไปโดยไม่รู้ตัวน่ะทุกคนมันใกล้กันทั้งนั้นน่ะใกล้ความเป็นอนิจจงและอนิจจงก็อยู่กับเราตลอดนะไม่ได้หนีน่ะ นั้นเเราคิดให้ดีนะแต่ส่วนธรรมะเราทั้งหลายเราก็รู้กันมาหมดแล้วลนะ่ะทั้งที่เราดูตำลับตำลากับครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ดูมาหมดแต่ความเป็นอนิจจังนะ่ะมันยกยกเว้นเราหรือเปล่าไม่มีการยกเว้นนะความเจ็บมันก็ไม่ยกเว้นนะนะอย่างนี้เราก็พอที่จะเข้าใจแล้วนะ ทำยังไงใจของเราจะมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจะได้รวบรวมเอาซึ่งคุณธรรมอันธรรมะอันป ร, รื่อยอันเป็นของที่มีคุณค่าอันมหาศาลสามารถที่จะคุ้มกันของเราที่จะไม่เราไปสู่อบายภูมิได้ธรรมะภายในอย่าคิดว่าเราท่องได้แล้ว รู้แล้วนะจะไปคุ้มกันเลยอย่าไปคิดนะถ้าเรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติและลงมือกระทาที่จะให้มันเกิดผลอะไรขึ้นจากตัวเองเราอย่าไปคิดง่ายๆนะถ้าความรู้อย่างนั้นมันป้องกันได้นะหลักของการปฏิบัติก็คงจะไม่มีก่อนจะมีหลักของการปฏิบัติ ก็เพื่อจะได้เอาหลักปฏิบัติเอาคุณสมบัติอันที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเพื่อจะไปคุ้มกันคุ้มกันอบายภูมิน่ะเมื่อมันหมดอนิจังนี่แล้วน่ะมันก็ไปข้างหน้ามันมันมีสิ่งที่จะต้อนรับเราอยู่แล้วน่ะคอยรับเราถ้าไม่อบายภูมิมันก็สุขติถ้าไม่สุขติมันก็อบายภูมิ มันก็มีอยู่สองทางเท่านั้นเที่ยวว่ากูสน ร, รมและอากูสนนำนั่นแหละแต่เราจะพูดตามหลักธรรมอันนี้เราพากันพิจารณากันบ้างคิดแล้วนะมันก็คงจะไม่ไม่พ้นจากความเป็นอนิจจงหอันนิจจงแท้นะบรรทัดสุดท้ายเนะี่ย คิดให้ดีเถอะรีบเอาซะคนไหนจะเอาได้ก็เอาซะคนไหนได้แล้วก็รีบเล่งตัวเองซะที่ยังไม่ได้ก็ทําให้มันได้ซะมันจะได้หมดปัญหากันเสียทีบะถ้าอย่างนั้นเราก็จะทํากันอยู่อย่างนี้ตลอดชาติชาตินี้ยังไม่แล้วอีกชาติหน้าก็ยังจะมาทําอีกแล้วชาติไหนมันจะหมดกันนะ่ะ แต่เราไปชาติหน้าเราก็ไม่รู้อีกละ่ะว่าเราจะได้ทำอย่างนี้หรือว่าการทำอย่างนี้อยู่ตรงนี้แล้วจะไปให้ผลงานเราอยู่ตรงโน้นจะไปรายงานเราอยู่ที่โ น, น่นที่เราจะไปเกิดต้องก็ไม่รู้อีกละ่ะไม่รู้จะไปทำา่างไงยล่ะถ้าคิดแล้วมันเมื่อมันตื่นตันมดละ่ะมันตันทางลวมดละเมื่อจ้ะทำมากก็ทำมากไปเถอะ ใจมันเมืดแต่ธรรมะน่ะมันดีแต่ใจมันเมืดอมันไม่รู้จากทางไปน่ยไม่รู้ว่าจะไปไหนกันนะเดี๋ยวนี้นะพูดกันตรงๆล่ะไม่ต้องไปพูดกันอ้อมค้อมนะแต่ว่าคนมันดีกันทุกคนน่ะอืมที่ว่าไม่ดีมันก็ไม่มีหรอกเพราะมันได้เกิดมาเป็นคนมันก็ต้องดีกันทุกคนนะแต่ว่าจากคนไปเนี่ย มันจะไปดีที่ไหนเนี่ยจะไปเป็นคนดีที่ไหนเราก็หาสาบใหม่จะไปเป็นอะไรข้างหน้าเราก็หาสาบใหม่มันมืดไปหมดนะ่ะมีอย่างเดียวก็คือคําสอนของบ๊อบพุทธเจ้าเท่านั้นอ้างแค่นั้นนะบ๊อบพุทธเจ้าว่าต้องไปดีทดําดีต้องไปดีไปสู่สุคติจะวันสุคติก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ และจะไปด้วยวิธีไหนมียวดยานภานะหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอแะได้เจ้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เท่านั้นในตำราเท่านั้นแต่ใจของเรายังไม่เห็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าใจของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วนะนะ สิ่งเหล่านี้นะไม่ต้องไปหายากหรอกมันจะต้องปรากฏในตัวเองนั่นแนะ่ะสุขขังสุขปฏิปันนังความเป็นสุขมันมีอยู่ในตัวเองนั่นแนะ่ะถ้ามีความสุขก็คืออะไรนั่นล่ะสุขติ สกมันสุขผิดปกตินะไม่ใช่ว่าสุขเหมือนกับเรากินข้าวอิ่มนี่นะไม่ใช่อย่างนี้นะมันสุขมันผิดปกติวะสุขอาจนมันจะละโลกนี่ได้นอนจนมันจะทิ้งบ้านทิ้งช่องนี้ก็มีนะทำมันสุกจริงๆนะสุกไอ้กิจเนี่ยมันเป็นของมันในตัวเราแต่มันก็ไม่ไปหรอกแต่ลักษณะมันบอกเสฉะหรอกมันก็ไปไม่ได้หรอกแต่ลักษณะมันบอกว่าสุขจริงๆ ไอ้ที่มันสุขจริงๆอย่างนั้นเรียกว่าสุขคติอะ่ะ แ, แล้วมันก็เห็นด้วยนะอย่าไปพูดจึงว่าตาในเขาไม่มีอันนี้หละเรามันไม่มีตาในนะมันจึงยากก็เลยไม่ได้เห็นอะไรเลยแม้อบายาภูมิพวกพวกเดียวกันที่มันอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วๆไปก็ยังไม่เห็นกันพอจะเห็นกันก็กลัวแล้วจริงน่ น, น อันนี้มันพวกเดียวกันนะเราก็ยังไม่เห็นกันแล้วก็ยังกลัวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาจิตของเราให้มีความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิสะมันจะเป็นชาญหรือมันจะเป็นยานเป็นอะไรก็ตามแต่ตรงนั้นขอให้มันสงบเท่านั้นลนะ่ะแล้วมันจะเป็นไปยังไงในขั้งหน้าเราจะค่อยว่ากันในเมื่อภายหลัง แต่ตอนนี้เรายังมืด บ, บนนรกันนรายัางหาหนทางที่จะไปไม่ได้ชานก็บชานแต่ในหนังสือยานก็บยานเฉพาะหนังสือที่เราอ่านมาชานจิตชานใจอยู่ตรงไหนยานจิตยานใจอยู่ตรงไหนอคิญิยญามันอยู่ตรงไหนสมาธิมันอยู่ตรงไหนความสงบมันอยู่ตรงไหนปัญญาอยู่ตรงไหนอยู่กับจิตกับใจเราใจเราอยู่ตรงไหนนะเราก็ยังหาได้เห็นไหม เอามันลงตรงนี้ละถ้าได้ตรงนี้แล้วการดาเนินจิตของเรานั้นก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกและสบายและเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องประสงค์ถ้าไม่ถึงพระพุทธองค์แต่ขอให้ได้ไปสู่สุคติเหมือนพระพุทธองค์พูดเอาไว้เท่านั้นเราก็ยังพอ สบายใจกันบ้างและผลของการกระทาก็ยังมีสำหรับที่จะรับรองเราบ้างถ้ามิฉะนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมารับรองเราเลยก็มีแต่าทากับทาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรรับรองก็มีแต่เหมากันว่าได้ได้ทั้งนั้นแ่ะแต่ได้มันได้อยู่ต่ว่าได้น้อยหรือมากแล้วจะไปยังไงเราก็หาได้ทราบใหม่เพราะฉะนั้นการที่เราได้ ที่แกงแสดงมาก็จะสมควรแจกกระเวลาจึงขอจุติการแสดงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเปการัสนี